พวกเราเคยให้ยืมเงินคนแล้วเขาไม่คืนนะมีไหมทำยังไงปัญหาปัญหาสากลมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่ให้ฟังว่าเขารู้จักคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะชอบโกงเงิน ใครต่อใครวันหนึ่งผู้ชายีก็มาหาเขาเขานี่เป็นเป็นร้านขายของผู้ชายคนนี้ก็มาขอเอาสินค้าไปขายราคาเจ็ดพันบาทแล้วก็บอกว่าพร <c oughs> ุ่งนี้เนี่ยจ่ายเงนมาให้นยตอนนี้ข อ, อเชื่อก่อน เอาสินค้าไปเขาก็พอจะเดาได้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นเขาก็ไม่มาเอาเงินมาให้เขาก็รู้แล้วว่าโดนเบี้ยวแล้วนะเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้ไปตามทวงคืนก็ผ่านไปเป็นเดือนนะวันหนึ่งก็อยู่ดีๆก็ไปเดินเจอผู้ชายคนนี้กลางทาง เขาเห็นเขาก็อุตกใจเขาก็รีบยกมือแล้วก็บอกว่าอเงินที่ยืมไปเนี่ยเขาไม่มีให้หรอกเพราะว่าไอ้เงินไอ้สินค้าที่เอาไปเนี่ยเขาไม่มีเงินคืนให้หรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพ่อเขาป่วยนะต้องใช้เงินมากี่ยคนที่ให้เงินไปก็เลยถามว่าเป็นยังไงพ่อนะลําบากไหมอะไรต่างๆนี่ก็ทักทายไปเสร็จ แ, แล้วก่อนที่จะเลิกกันเขาก็ ให้เงินผู้ชายคนนี้ไปอีกพันหนึ่งบอกว่าเอาไปซื้อของให้พ่อนะหรือว่าพ่อจะต้องใช้ผู้ชายคนนั้นก็ขอบคุณขอบอกขอบใจใหญ่บอกว่าคืนนั้นเย็นนั้นเนี่ยผู้ชายนี้ก็มาอีกนะก็มาทำแบบเดิมมาขอยืมเงินยืมเงินแบบเอาสินค้าไปขายนะเราบอกว่าจะเอาเอาเงินมาคืนให้ก็ไม่คืน ทำนี้อยู่สองสามครั้งคนที่เป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของเงินเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็โอ้ไม่เป็นไรนะลืมบอกไว้ว่าตอนที่เขาเจอเจอผู้ชายคนนี้เนี่ยกลางทางแล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยที่ไม่ได้เอาเงินมาให้เจ้าของก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะผมเชื่อใจคุณนะคุณนี่ยังไงก็ไม่โกงอยู่แล้วเงินแค่นี้คุณเป็นคนมีศักดิ์ศรี ก็สรุปว่าผู้ชายคนนี้นี่ก็มาเอาเงินเข้าไปเอาสินค้าเข้าไปเป็นจํานวนเนี่ยเรียกว่าเป็นหมื่นเลยมั้งมาทีไรเขาก็ให้นะไม่ทวงสุดท้ายวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็มาหาเขาแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมนเสร็จแล้วเขาก็ นขนควายไปหาเงินมาคืนจนครบเลยแล้วก็ยังหาลูกค้ามาเข้าร้านเขาอีกอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะของคนที่เรียกว่าเอาชนะความชั่วด้วยความดีคูเจะาตัดว่าจงเอาชนะพึงชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความจอหนีด้วยการให้ ก็เข้ามายืมเงินหรือเขามาเอาสินค้าไปไม่คืนเงินเขาก็ทำแล้วทำแล่วเขาก็ให้นะให้โดยไม่ทวงด้วยเพราะว่ามันไปชนะใจผู้ชายคนนั้นจนกระทั่งทำทำเหมือนเดิมไม่ได้แนละ้วรู้สึกละอายใจเพราะว่าทราบซึ่งว่าโอเคเขาดีกับเราเหลือเกินนะเราจะมาถถ่เงินเราจะไปโกงเงินเขาต่อไปก็ มันลายใจก็เลยไปหาทางเอาเงินหาเงินมาคืนเขาจนครบเลยแต่เขาก็ยังยังร้ายกับคนอื่นนะอาจจะยังพูดจาว่าลายใครต่อใครแต่ว่ากับกับเจ้าของร้านคนนี้นี่เขาพูดจายกยองนับถือมากเพราะว่าชนะใจเขานะเพราะว่าอปฏิบัติกับเขาด้วยด้วยความเคารพนะคําพูดของ เจ้าของร้านคนนั้นที่บอกว่าเนี่ยผมไว้ใจคุณผมเชื่อใจคุณคุณไม่โกงหรอกเงินแค่นี้เพราะคุณก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเนี่ยไอ้คำพูดนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาได้คิดเหมือนกันถึงแม้ว่าเขายังไม่เลิ่งนวิสัยเดิมแต่ว่าพอได้รับความเอื้อเฟื้อได้รับความดีจากเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลย เปลี่ยนใจจะใช้จะโกงเงินต่อไปก็ละอายใจเจ้าของร้านนี้ก็พูดนะว่าน่าสนใจเขาบอกว่ า, วาเวลาเรามองหรือเราพูดว่าใครไม่ดีเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราปฏิบัติดีกับเขาหรือยังเราทําดีกับเขาหรือยังหลายครั้งการที่เขาไม่ดีกับเราเพราะว่าเราทําไม่ดีกับเขาก่อน หรือว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเราแต่ถ้าเือว่าเรายังทำดีต่อเขาในสุดมันก็เปลี่ยนใจเขาได้คนเรานี่มันก็มีความดีอยู่ในตัวทุกคนแต่ว่าความดีมันอาจจะไม่มีพลังที่จะแสดงออกมาเป็นคำพูดและการกระทาเพราะว่าความไม่ดีมันมากกว่าความเห็นแก่ตัวความคดในข้องรกระดูกเนี่ยพวกนี้มันคือความเห็นแก่ตัว มันมีอำนาจหนูกว่ามันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะทํำดีกับใครได้มีแต่ทําความชั่วหรือเอาเปรียบแต่พอเจอความดีของใครบางคนเนี่ยความดีของเขานี่มันก็สามารถจะไปกระตุกกระตุ้นตอบความดีในใจเขาให้ออกมาภาษาสมัยนี้เรีวยว่าตอบความดีไอ้ต่อมความดีนี่มันจะทํางานได้ก็เพราะมันมีคนอื่นมาทําดีกับเราด้วย พอใครก็ทำดีกับเราแล้วก็ล้ายกับเขาไม่ลงนะเราก็อยากจะทำดีต่อที่จริงเพียงแค่คำชมนะมันก็มีผลนะคนที่ทำตัวเกเรเนี่ยพอมีใครชมเขาเนี่ยเขาก็เกิดกำลังใจที่ทำความดีที่หมูที่ จังหวัด น, นึงในภาคอสาเนี่ยมันมีแก๊งสองแก๊งนะเป็นแก๊งวัยรุ่นชอบเตะกันตีกันนี่ไม่ได้ใช้ไม้ใช้มีดใช้ปืนใช้ระเบิดนนเป็นคู่อริกันก็วัยรุ่นทั้งนั้นต่อมาเนี่ยมันก็มีคนในแก๊งเนี่ยก็เป็นเป็นพี่อย่างเงินนะเป็นรุ่นพี่เนี่ยเกิดกับตัวกลับใจ กลายเป็นคนดีเขาก็อยากจะทําให้ไอ้ลุมน้องในแก๊งเขาที่กลายเป็นคนดีด้วยเขาก็เลยจัดค่ายค่ายนี้เป็นเชื่อค่ายสุดแท้โดยปัญญาก็เอาแล้วเขาก็คิดถึงวัยรุ่นสองแก๊งเนี่ยให้มาเข้าค่ายมันจะได้รักกันจะได้เลิกตีกันเขาก็ไปชวนลูกน้องนะให้มาเข้าค่ายไอ้ลุกน้องนี่ก็ไม่อยากไป ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยก็รู้ว่าต้องเจอกับคู่อริแต่ว่าก็เกรงใจหรือกลัวบา ร, รมีลูกพี่ก็เลยไปเข้าค่ายค่ายมานสี่วันแต่ว่าเตรียมตัวนะเตรียมมีดเตรียมปืนเตรียมระเบิดด้วยเอาเข้าค่ายทั้งนี้เป็นค่ายที่ปลอดเล่านะมันก็ในปลอดอาวุธ ด, ด้วยแต่มันไม่ปลอดอาวุธนะเพราะว่าทั้งสองฝ่าย ก, ก็เตรียมมีดเตรียมเตรียมปืนมา กล่าวว่าตีนันมาแล้วก็กระซวกกันเมื่อ น, นั้นยิงันเมื่อ น, นั้นตอนที่จัดค่ายในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเ้าก็รู้น ะ, ะเขาได้ษษษินกิจสับแก๊งสองแก๊งนี่เา้ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมัน ก, เกดเกิดเรื่องจริงๆนะเพราะว่าแค่วัน2องวันแรกนี่ก็คอมเมนกันจะจะทำร้ายกันแต่ว่าก็ลูกพี่ซึ่งเป็นผู้ประธานค่ายก็ห้ามเอาไว้ พอผ่านไปได้สีวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็ชมว่เออพวกนี้มันดีนะมันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันรู้จักอยู่กันอย่างสงบหลายคนก็สึกภูมิใจนเะไม่ถึงคนที่เป็นคู่เป็นวัยรุ่นนะนะรู้สึกภูมิใจว่าเออชาวบ้านชมเรานะแต่ก่อนไม่เคยมีใครชมเราเลย เสร็จค่ายนี่ก็มันก็มีเรื่องถ่ายว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเสร็จค้ายแล้วต้องไปทํากิจกิตอาสาก็ตกลงกันว่าจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยตํำรวจช่วงวันปีใหม่เพราะวันปีใหม่นี่คือวันปีใหม่คืนวันสิ้นปีนี่มันมีขับรถเมาเหล้ากันเยอะต้องตั้งด่านตรวจว่าใครกินเหล้าก็เอาพวกนี้แหละวัยรุ่นพวกนี้แหละซึ่งเคยเป็นพวกแก๊งรถสิ่งเนี่ย มาเป็นจิตอาสาช่วยตํารวจตํารวจเห็นตํารวจก็แปลกใจ น, นะแต่ก็ชื่นชมโอพวกนี้ดีแต่ก่อนพวกก่อกวนสร้างปัญหาตอนนี้มาช่วยช่วยตํารวจละชาวบ้านเหมือนกันนะชาวบ้านร้านค้าก็เห็นในพวกนี้นะเคยเคยลําคาญพวกแก๊งลก็กซิงพวกนี้แต่พอพวกนี้มาเป็นจิตอาสาเขาก็ชมนะว่าโอพวกนี้ดี บางทีก็เอาน้ำเอาอะไรมาให้บอกก็ว่ามันไปโดนใจหลายคนมากเลยที่เป็นแก๊งวัยรุ่นเพราะว่าไม่เคยมีใครทำดีเขาเลยนะไม่เคยมีใครชมเขาเมื่อเขาทำความดีนี่เป็นครั้งแรกนะเขาก็เลยเกิดกำลังใจอยากจะทำความดีแต่ก่อนที่ทาตัวเล็วก็เพราะว่า ทำความดีไม่ขึ้นหรือว่าถูกแต่ถูกสังคมประนามด่าว่าก็เลยอยากจะตอบโต้แก้แค้นกลายเป็นอันทพานกลายเป็นแก๊งลดซิ่งพวกนี้ก็มีผมดอยนะคือว่ารู้สึกว่าตัวไม่มีคุณค่าเรียนก็ไม่เก่งเงินก็ไม่ค่อยมีก็เลยพยายามสร้างปมเด่นด้วยการทําตัวก่อกวนชาว บ, บ้านแต่ว่าพอได้รับคําชมเมื่อทําความดีเขาก็รู้สึกว่าเออ ทำความดีนี่มันมันก็มีความสุขนะเกิดความภาคภูมิใจใตัวเองก็เลยเลิกนะเลิกเป็นอันตพลาเลิกเป็นแก๊งล็อกซิงกลับมาทําเป็นพลเมืองดีเลิกกินเหล้านะไม่ก่อกวนไม่ตีกันอันนี้ก็เพราะว่าเขาได้รับคําชมได้รับคําปฏิบัติได้รับการปฏิบัติด้วยดีนะจากผู้คนนั้นเนี่ยไอ้ที่พระเจ้ตาตรัสว่าเนี่ยเอาชนะความชั่วด้วยความดีนะั่นมัน มันเป็นวิธีการที่ได้ผลมากไม่ว่าเขาจะโกงเงินเราไม่ว่าเขาจะทําตัวเ ก, กมียดเ ก, กเรแต่ถ้าเราเอาธรรมะนะเอาธรรมะเข้าสู้นะไม่ใช่เอาความโกรธความเกลียดเอาความรุนแรงหรือใช้คําพูดด่าว่าใช้ธรรมะช่างไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นปิยะวาจาคําสุภาพคําชื่นชมหรือว่าการช่วยเหลือมันก็สามารถจะเปลี่ยนใจเขาได้ทําให้ความดีเอาชนะความชั่วในใจเขาได้ อ๋อแล้วรร